อยู่ข้างหมูหกฮะดูยิตลอดดูปัจจุบันของหมูเพื่อนเขาเพื่อดูอนาคตของหมูเพื่อนในขณะดเดียวกันดูความเจริญของหมูเพื่อนกับความเสื่อมของหมูเพื่อนดูในปัจจุบันเพื่ออนาคตประมวลขึ้นมาในัจจุบันนั่นแหละเป็นหัวหน้าของหมูเพื่อนมันเบาเมื่อไหร่หมูเพื่อนดูจะรู้ไหมว่าผมมีความใส่ใจต่อหมูเพื่อนมากขนาดไหนดีไม่ดียงจะมากของหมูเพื่อนใส่ใจตัวเอง เพื่อนทียังไม่นั่นทั้งนี้จะว่าแต่เนี้ยรู้ไปแล้วอันนั้นได้รู้ไหมมันเป็นความแน่ใจว่าสิ่งที่อยู่ที่เตือนที่อาหานนั้นไม่ผิดคือไม่ผิดแหลักธรรมที่จะเข้าแก้คาคิดกินนะที่ได้รู้นั้นแไม่ใช่นายเอทา่านมาเป็นของเล่นนะจี๋ แล้ว เ, เราจึงกับสัตว์โลกเท่าไหร่ไม่เคยมีการสถานที่เวลามวาขนาดจิตที่เคลื่อนไหวออกมามีแต่เรื่องนี้ทํางานทั้งนั้นพวกเรายังไม่ทราบอยู่มานอนใจชมในความนอนใจนี้มานานเท่าไหร่แล้วนี่เขไม่เคยคิดไม่เคยรู้ไม่เปเห็นมาแต่ก่อน เรื่องทอำนาจของจิตเพมีความตลาดแหลมคมขนาดไหนและเป็นภัยต่อหัวใจเราเนี่ยก่อนอื่น้าต่อไปจะมาตั้งตึงหัวใจของโลกมีความต้องการขนาดไหนมีอำนาจขนาดไหนเพิ่งขึง้นมากแน่ใจว่าเข้าใจในเพยของพระในพปฏิบัตินี้ ีนั่งนำสิ่งเหล่านี้มาแสดงให้เพื่อนฝ่ายในปฏิบัติโดยเพื่อหลุดออกจากห้องพังยิ่งใหญ่นีนสามโพมิเกียร์เราะนั้นจะไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องกับอันไม่ว่าสะที่ขึ้นชื่อว่าสมมุติว่างังนเลย เขาพี่อยู่เป็นสมมุนเหมือนกันในสามแดนโลกตันทำอะไรมันไม่เลยเถิดเลยเถิดอยู่สมัอเลยดูอยู่เรื่อยเตือนเรื่อยแต่ไม่ยอมจำอันนี้สิอันนี้เป็นอะไรที่ไม่ยอมจำเพราะความนอนใจนั้นนิสัยนั้นนเคยกินนิสัยนั้นคืออะไร นี่นก็ไม่รู้อีกผิว น, นี้เป็นผิมเป็นภยัยกำลังยังไม่รู้จะว่ไง <c oughs> ทำตีนั้ก็นอนใจกับสิงนั้นเสียจมก็เอาสิ่นั้นเสี ย, สยแม้กระดิษพิแแ้งภายในจิตใจใมีความรู้สึกละลึกได้เลยว่าผิดหรือถูกประกันไหแม้ละเอียด เป็นผิดก็ไม่ใช่ของดีมัดูเลี่ยนเล็กๆแต่นั้นจนมองหาไม่ไม่เห็นด้วยตาเ น, นืน้มองไปมันขึ้นเข้ามาในอวัยวะของเราเป็นยังไงเจ็บไหมมันผิดปกติไหมร่างกายของเรามาถูกสิ่มแทงรือเลี่ยนอนละเอียดแน้จะสุกผงข้าตาเป็นไงใครก็ทาทุกคนผรืงผข้าตัวข้าวตาผง ม, มันละเอียดขนาดไหน ทำไมมกลทำเป็นเป็ภัยเป็นพิษเป็นภัยต่อตาเรื่องนี้นนี่เรเกี่ยวเลยไม่ต้องพูดทังนี้ต้นยูงต้นยางภูเขาทั้งลูกสมาัิเนี่ยถึงจะได้รับความเก็บปวดแสบร้อนเพียงเพี้ยนอันละเอียดลึกผงละเอียดทิ่มแทงข้าในอวัยาวะรือเข้าตาแตอนนั้นมันก็เป็นทุกข์ปล่อย นี่เราเกี่ยวยิงแล้วก็คอยดูถึงเลยที่เหลียดยกกองพลมาเท่าขูเขาเท่าจนยุ่มต้นยางอะไรมาทับหัวใจเราเราทึงจะว่าเรามีกิเลสเราทึงนก็อาจจะมีท่าสิดแล้วทนจะตั้งท่ารับมันตั้งท่ารับัอะไรภูเขอทั้งหมดมันทับลงไปแล้วมีโอกาสที่จะมาตั้งท่ารับมันนอกจากรับแบนท่านั้นแบนไปหมดทั้งตัวรับมันก็รับแบบแบน มีก็เหมนกันที่เลืมันฟาดลงตรงไหนมันก็แหลกไปเหมือนกันกับภูเขาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นภัยทั้งนั้นพยายามแนะนำสอนอีกหนเดยในรายละเอียดแล้วออนในความคิดความอ่านยาทำอะไรด้วยความรุ่งรมงตรงตเพราะเหตุแต่ความไม่มีสติไม่ดีเลยสอนอยู่กสมอปิบาตเข้าไปด้ยสติเมื่อสติปัญญามคลื่อนตัวขึ้นมาือกลัวขึ้นมา มันก็เหมือนกับเราลืมตาขึ้นมาลืมตามาลืมมาเพื่อเห็นนี่ทําไมมันจะไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในยิสัยของตาที่อยู่วเห็นได้มากน้อยอย่างไรมันต้องเห็นได้มีที่อยู่ในยิ้สัยของสติปัญญาที่ฟื้นตัวขึ้นมาได้มากน้อยอย่างไรทําไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจมีอยู่ในใจแท้แทสติปัญญาก็คลิกขึ้นมาจากนั้นแรกทําไมจะไม่เจอกันเพราะอยู่ด้วยกันถ้าเราจะคลึกขึ้นมาถ้าไม่นอนใจที่อย่างเดียว แดนที่เราจมนี้ประสริหากว่าแดนที่เราจมอยนี้ประสริรโลกนี้ประเสริสมุนแล้วสามโลกฐานไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องหาทํามมารืมมาฟื้นให้ดียิ่งกว่านี้เพราะนี้ก็เป็นที่พอใจแล้วสําหรับสัตว์โลกพี่นาดูที่นี่ความเห็นของผู้หลับตาจมในกองมูกของผู้กับผู้ที่เห็นด้วยความสว่างกระจ่างแจ้งด้วยความประเสริฐของจิตสุดนั้นต่างกันอย่างไรบ้าง คำวาสน า, ากับพวกเรานี่ต่างกันอย่งไรดูตรงั่ตรงนั้นใช่รรมถ้าวิเศษจริงๆก็ไม่สามารถจะมาส อ, สอนลูกและมาปราบวิเดชให้ตัดโ์ลกได้วิเดกมันเป็นไทยเป็นคุณพระพุทธเจ้าซะเป็นจอมฉลาดนนผมทั้งองค์จึงประนามว่าวิเดช เ, เป็นไทยเป็นไทความเกิดแจ้งเก็บตายในะวัางาลพ่อหน้าวิเดช เป็นภัยขนนั้นใครเป็นคนมาประกาศทำเหล่านี้คำเหล่านี้ทำาห้ญศติญาตจองเปล่าพราะเราประกาศได้ยังไงจงหยุ่กับมันงูหัวขึ้นมามองดูมันได้เมื่อไหร่พอจะรู้ว่ามันเป็นโทษเป็นจริงเกตัวนี้อุ้ยมันหนักใจจีว่า ความใส่ใจความสงสนรมันก็เต็มหัวใจมองไปแง่อะไรนนก็เหวนั้นเป็นที่ผูกใจมันไม่ผูกต้องได้ตักได้เคลือนได้ดุว่า้ว่ากล่าวกันไปเรื่อยในบิณฑเหล่านั้นนี่เป็นเรื่องสิทถูกแล้วเตือนกันําใหม่ดุกันมาใหม่ว่ากันมาใหม่มันก็คือขวางทำอยู่นั่นเลยนี่เหลืเหยียบทํายู่นั้นทีเลทำไมค้าคออยู่นั่นเลย มันดีแล้วเหรอแต่เราจะเสียบมันก็เหมือนอย่างนัน้นไม่ได้อยู่กันดีเท่าไหรนีกิเลสหรือไม่ข้ามคออย่างนี้ข้ามมันดีเลยเหรอเราถ้าเรายังแบบรู้ชาดิ้นชาดิ้นข้อปหาไม้มาที่อืมเอาที่ชุมนุมมาค้ามคอกันให้ดูข้ามียงคอคนพระองค์เดียวเท่านั้นแหละองค์ใดองค์หนึ่งเท่านั้นแหละข้ามคอนะ่ะไม่มาข้ามคอเนี่ยแล้วให้พาะสายบดูกว่ามันดูได้ไหม นี่ยกความผิดให่านมาให้ท่านหลายดูแล้วยี่เด็ดค้ำคอทำไมมาหน้าดูนะ <c oughs> พูดเด็กกรดดตะเวทของวิร์นอแล้วยิ่งเด็ดไม่ค้ำคอมองดูตงไหนนี่แต่ยิ่เด็ดไม่ค้ำคอค้ำคอม่หมดวัดหมดว่าแต่มันหน้าดูหรือต้งแต่เราไม้ค้ำคอวงเดียวตอนนี้แล้วให้ดูกันทั้งวัดดูได้ไหมนั่นละดูเอาสิให้ผมพูดยังไงท้านนายไม่มีใครเราจะพูดอย่างนี้ผมอยากจะพูดอย่างนี้เลยผมเองก็ เป็นนักล่าอาจารย์มาก็ไม่มีใครมีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเท่านั้นอ่ะที่พูดได้อย่างเด่นๆชัดๆแต่มันเป็นอนิสัยของแต่ละอุบาอาจารย์ที่จะนําเหตุนําผลนําอุบาหธรรมออกมาใช้ให้ลูกศย์ผู้ัทาได้ยินในฝฟังลึกซึ้งอย่างละเอียดมากน้อยอย่างไรตามปัญญาใส่ร่างแท้ที่แล้วก็พูดตามคํามรู้ควา ม, วามสามารถของเราที่สมมุติเอาแล้คิดนะไม่ข้าขอพระนั้น กิเลสข้ามคอพระีที่เดสข้ามคอเรามันน่าดูแต่ไม้ข้ามคอพระอยู่ในวัดนี้สักองค์เดีย์หนึ่งแล้วมันน่าดูไหมถ้านี้ไม่น่าดูแล้วนั้นก็อิ่งไม่น่าดูเลยมองไปไหนในทัวโลกกับธานุมีแต่อย่างนั้นมีวางอะมีแต่ไม้ข้ามคอก่เลสข้ามคอนี่นีข้ามเข้าใจไหยไม่งามไม่เป็นง่ามนี่ ข้าดุ่มข้ายันเลยพื้นดิ่นกระเจือกระสนันโวลกวายจะตายแต่ไม่ตายมันดิ่นดิ่นก็ไม่ทราบมันดิ่นใหดหลุดหรือมันดิ่นจะตายไม่รูมันมีแต่มันดิ่นจะตายเถอะไม่ใช่ดิ่นจะให้หลุดี่ถ้าดิ่งจะให้หลุดก็ดิ่งด้วยความเพียรมีอะไรฟาดมันลงไปเลถ้าจะดิ่งให้หลุดนี่ไม่ใช่ดิ่งให้หลุดมันดิ่งกระเจือกผะสนสิ่งที่มันจะหลุดก็คือ นอ่ของใหม่ของเก่าอยู่ท้องมันจะหลุดออกมาคือถูกไม้ก้ามเลยนคนจะดิ้นให้หลุดนี่รููจะไม่เห็นก็ดูกดีกว่าความดิน้นแบบนั้นมีแต่มีแต่นั่นะมันจะดินะ้นออกมาทลักออกมาถูกข้ามคอมาลังไส้กันมามาไม่ได้เรื่องเดยลาวมาตายหนึ่งก็ขวางตายเห็นแหละ มาสองรายก็ขวางกันมายิงหมาคาบาบังลามบังคลามบินตามทางประทันหลายเคยเห็นไหมหมาคาบบังคลามคาบเนี่ยมันคาบการก็บอกขคาบเนี่ยมันบิงขวางทางไปนี่มันไม่ได้คาบปากก็บอกนี่ยิงนะถ้าอยากจะคาบเ อ, อาคาบมาให้หมาคาบเป็นผู้เป็นอาจารย์สอนคนบั้งสิษย์และโยนคาบมันจะคาบยังไงดูมันจะคาบ ทางก็บอกนั่และแล้วยิ่งขวางข้าวหลามยาอะไรนั่นก็ยิ่งขวางว่ะคนมาตามถนนทางนี้ล้มนาน า, นาไปถูกข้าวหลามเป็มาข้ามตีหนา้าผากออกไม่หลบไม่ทันเหมือนที่เหล็กตีห น, น้าผากคนมันหลบไม่ทันเพียาการขวางอยู่นั่นจีวางเนี่ยที่เหล็กนั่นไปนั้นมันขวางทํางน้ดูเอามไม่รู้จะของจะเพิ่นหรือมันล่องเพ็งในสังมันจะเอา โยกเป็นอาหารู่นในขนาดนั้นยิ่งยังหลับก้อข้อขอขอพอเพลินความแข็งมันหนึ่งตีลาก็ไม่เป็นล่าเป็นหลังอะไรอยู่เก่าก็ไม่เป็นท่ามาใหม่ก็ไม่เป็นทางอะไระต่างคนตา่งนางขวั ง, ขว ง, งนั่นนี่งขวางขัดขวางทขึ้นว่าไงขวางขังขวางทำว่าการขวางตัวเองทำลายตัวเองมันอะไรมีนผิดแปลกกันตรงไห มันทําให้เล่นได้เมื่อไหร่การฆ่าพิเรพิเรไม่ใช่ของเล่นมันต้องจริงตองจังเตือนสมุอนอะไรไรแล้วก็เตือนเตือนเพื่อหลักใหญ่ผมไมไ่สนใจกับอะไรนะพัตถุในยาว่าแต่อยู่ในวัดป่ามันตานี่หน่อยวัตถุสมบัติอะนะทั้งสามแดนโลกธาตุผมไม่เคยสนใจยิ่งกว่าใจพระที่ผมรวบรวมสั่งสอนและรับเป็นบาราอ ความการละทางด้านจิตใจเป็นสำคัญอันนี้ผมถือว่ามากถือมากถืผมขอบคุณค่าดูที่จก่ผู้ที่ถูกเหยียบย่ำทำลายทรมานที่สุดทั้งมีอะไรเทียบแลวในโลกนี้ก็คือหัวใจสิ่งอื่นทำลายมันได้อะไรร่างกายกับเครื่องมือของของกายทางารกระทบร่างกายก็เข้าไปสู่จิตใจ ใจมันไม่มีความรับผิดตัวเอนก็รับเหมาหมดทั้งหมดทั้งหานเจ็บปวดแสบล้างขนาดไหนใจทั้งเป็นผู้รับร้อยทั้งร้อยใจรับทั้งาน น, นอกจากใจที่ทมุ่ดฝุ่นแล้วนะนันน้นจะรับทราบกันเท่าไหร่ น, นั่นสามารถที่จะถึงทราบจากใจพระรหารท่านอาจารถึงเล่พูดว่าพทหารท่านไม่มีทุกข์ไม่มีเวทนาไม่ว่าสุขเวทนาทุกเวทนาเอเปรียบคาเวทนาเพราะทั้งสา ม, มนั้เป็นสมงบน ได้ขาดสะบั้นโอกาสไปแล้วระหว่างที่อยู่ด้วยการต่อขันซึ่เ ง, งเป็นความรับผิดชอบทั้งใจก็เป็นเพียงรับทราบกันด้วยสัรชาสญญายานเป็นความรับทราบไ ม, ม, รรรม่มีอะไรจะมาถึงทราบไม่ีอะไรจะไปคับผมจิตแจของนั้นได้โดยหลักธรรมชาติขอิดเองเป็นเช่นนั้นนั่นต้องบงังคับบัญชา มีผ่าที่อล้วละว่าไงาจเจีเยต้องทำอะไรไปไหนไอรกิเลมันเทาของพราพ่ามิ่งปรียบเ่าคนนี้